ท่านพูดไว้ในหลักธรรมว่าความยินดีในธรรมชนะซึ่งความยินดีทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะซึ่งลดทั้งปวงคำนี้ออกมาจากท่านผู้ที่เคยได้ยินดีมาแล้วเคยได้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 โดยที่จิตใจไม่ได้เกิดเจอแล้วเพลินไปในสิ่งต่างๆตามที่สายของจิตที่เคยเป็นมาดั่งเดิมเท่านั้นาศนาสนธรรมก็รู้สึกจะไม่มีความหมายในจิตประเภทนั้นจนกว่าว่าจิตประเภทนั้นนั้นจะหันเข้ามาสู่หลักธรรมเกิดความสนใจขึ้นภายในตัวเองแล้วประพฤติปฏิบัติทำที่กล่าว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 เมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ทําให้เกิดความท้อใจจิตใจเลยเกิดเพิ่มไปในทางอื่นไปเสียบางทีก็ง่วงเนาะห้องนอนอยากหลับอยากอะไรไป้ิการเทศก็รู้สึกว่าเป็นเวลานา น, านเพราะมันเป็นการกดถ่วงที่เลยไม่ได้ออกขึ้นท่านตามความสะดวกสบายในขณะที่ฟังทำจําต้องระมัดระวังจิจตใจความระมัดระวังจิตใจนี่เป็นเหมือนกับว่าถูกกักถูกขังไว้ใน ขอบเขตอันเฉพาะนั่นแหละเกิดความลำคาญขึ้นมาแต่เมื่อได้เริ่มฟังไปเรื่อยๆ ด, ด้วยความสนใจแม้ขณะฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปด้วยคือจิตมีความจดจ่อต่อเนื่อง ก, กันไปกับกระแสงารทำดิ่านแสดงจิตไดยกลายเป็นความสงบขึ้นมาเพราะ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 พอบ่ายโมงท่านก็เริ่มลงอุโบสถพออุโบสถแล้วท่านก็ให้โอวาาส่วนมากท่านให้อวาดหลังจากอุโบสถแล้วนี่เป็นภาคปฏิบัติอันํำคังแล้วผู้ที่อยู่กับท่านโดยเฉพาะธรรมนาก็เจ็บวันในพรรษาเจ็ดวันประชุมครั้งท่านนอกพรรษาก็ไม่ค่อยแน่นอนอะไรนะ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 เป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของท่านเนนให้เกิดความสนใจทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะมีท่านเป็นสําคัญเป็นเครื่องดดื่มให้มีความเพลิดเพลินรื่นลรงในอัตในธรรมได้พบได้เห็นท่านทั่วระยะระยะหนึ่งก็เป็นเครื่องดึง ด, ดูดภายใ น, ในใจิตใจให้เกิดความปีติยินดี แ, แถมยังได้ยินได้ฟังท่านพูดอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเทศก็ทั่วไป ในเวลาอบรมก็ตามไม่ว่าจะพูดธรมรมดาก็ตามพูดขีเล่นทีจกินก็ตามเพราะท่านเป็นธรรมหมดทั้งองค์แล้วการแสดงออกในแง่ต่างๆย่อมมีธรรมมีเหตุมีผลที่จะยึดเป็นคติแทรกออกมาเรื่อยๆให้ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้ยึดเป็นคติเรื่อยๆไปด้านการอยู่กับครูกับอาจารย์ของพระกรรมฐานจึงเป็นความสนิทมาก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 ในปัญหาแต่ละข้อละข้อจะเป็นประโยชน์แต่ผู้มาศึกษาแต่ถามมันมากมายก่ายกองไม่ผิดหวังนี่ยความที่รู้จริงเห็นจริงผิดกันอย่างนี้แล้วตะกี้นี้ได้อาธิยกขึ้นเรื่องความยินดีในธรรมก็ดังที่กล่าวมานี่แหละความยินดีในธรรมยินดีไปเรื่อยๆ ด้วยอํนนานาจสหงการได้ยินได้ฟังเสมอ แ, และการประพฤติปฏิบัติตนอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นเดียวกันผลคือรสชาติที่ปรากฏขึ้นผานจากการปฏิบัติก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆมีความแม่นหนามั่นคงขึ้นภ า, ายจใจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาธิมีความร่มเย็นเป็นสุขสะดวกสบายไม่คิดสายแสวุ่นวายแต่กับเรื่องอะไรทั้งหมดก็หนึ่งเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตแตะธรรมที่จะ พึงพินพิจารณาที่จะพึงปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งหรือเหนวแน่นเข้าไปโดยลำดับหากเป็นขั้นปัญญาก็จะพิจารณาไปทางกว้างแคบเพียงไรบรรดาในสภาวธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เพื่ออจเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองโดยถ่เดียวเท่านั้นจึงเป็นความเพลิดเพลินไปทั้งวันทั้งคืนจิตใจของเราในเมื่อมุ่งต่อทำอย่างแรงกล้าเพียงไร ย่อมมีความเข้มแข็งย่อมมีความอาหฐารย่อมไม่มีความเยื่อใยในชีวิตจิตใจตลอดถึงความเป็นอยู่ปูวายไยทั้งหมดไม่เป็นกังวลวุ่นวายเลยมีแต่เข็มทิดทางเดินแห่งธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพยุงจิตใจให้เป็นไปโดยลำดัแบบนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเพลินด้วยความภาคเพียรเพลินด้วยการพปฏิบัติถ้าเป็นสมาธิก็เพลินด้วยความสงบเย็ยนใจ ถ้าเป็นภาคปัญญาก็เพลินด้วยการคิดค้นในแง่ต่างๆเพื่อเป็นการถอดถอนีเหตดไปโดยลาดับในขณะที่พิจนนารณาความผาสุเกเย็นใจจึงมีได้ทุกระยะอะยะของการประกอบความเพียรอยู่ในที่สบงบเงียบเท่าไรความรู้นี้ก็ยิ่งเด่นแม้ความรู้ทางด้านสมาธิก็เด่นในความรู้สึกตัวเอง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 เป็นร่างกายอย่างที่ท่านว่ากายยาคตาสติอย่างนี้ก็รู้สึกว่าพูดอย่างหนึ่งเ็เพินเพิ่นเพราะจิตมันเผินจิตไม่ปักจิตไม่มีหลักจิตไม่มีสติจิตไม่มีปัญญาจิตไม่มีหลักเตินคือทมเป็นหลักเตินของจิตพูดอะไรก็ไม่ค่อยถึงจิตถึงกใจแต่พอจิตมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลขึ้นภายในตัวเท่านั้น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 เป็นแต่เพียงว่าจิตทั้งเราไม่เดินตามความปิความจริงนั้นเท่านั้นจริงเป็นเหตุให้ขัดแย้งกับความจริงนั้นอยู่เสมอเมื่อจิตใจมีความสงบพิจารณาอ้ า, เอาวเราเดินกรร ม, มาฐานคือจิตพาจิตเดินกรร ม, มาฐานท่องเที่ยวในสกุลากายคือขันห้าอันนี้เดินขึ้นเบื้องบนถึงศีสะเดินลงเบื้องต่าถึงพื้นเท้า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 ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาความชัดขึ้นความเข้าใจชัดมากเพียงไรยิ่งทําให้เกิดความสนใจยิ่งขึ้นโดยลําดับําดับสุดท้ายก็มีแต่ภาพหรืออารมณ์อันั้นกลับใจหรือกับปัญญานี้เท่านั้นที่สัมผัสัมพันธ์กันอยู่ภายในร่างกายที่เรากําลังพิจารณาอยู่นั้นส่วนร่างกายอันแท้จริงนี้ก็เลยหายตัวไปไม่ทราบหายไปไหนคือมันมันไม่รู้สึกกายอะลรนั้นไม่รู้สึกว่ามีกาย ท, ทั้งทั้งคือพิจารณาร่างกายอยู่นั้นแหละ จนกระทั่งสภาพนี้สลายลงไปเห็นอย่างประจับภในกิตมันสลายลงไปจนกระทั่งเป็นสภาพเดิมของธาตุคือดินน้ำลงไปสลายลงประสูตทธาตุเดิมของเขาจิตหดตัวเข้ามาเหลือแต่ความรู้รวงดวงที่ น, นคัมเวทนา อะไรๆหายหมดขณะนั้นชั้นญาณชั้นขามิญาณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยเพียงตัวรูปอย่างเดียว น, นั้นมันก็พอกับความเป็นอยู่ของจิตในขณะนั้นแล้วเข้าสู่ความสงบแน่วไปเลยคือเหลือแต่ความรู้ล้นลวนอย่างเดียวร่างกายที่ที่เรานั่งอยูงนี้หายหมดอย่นี้ก็มีการพิจารณาแต่กรุณาอยากห้าดเป็นแต่เพียงแค่ฟังให้เป็นความเพลิดเพลินรื่นเริในขณะที่ฟัง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 เห็นชัดแล้วว่าอันนั้นมันก็ชัดเลยว่ามันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นในร่างกายแต่ละส่วนแต่ละชิ้นแต่ชิ้นผู้พิจารณานี้เป็นอันหนึ่งต่างหากเนี่ยเวลามันพิจารณาลงไปชัดเจนขนาดนั้นแล้วมันแยกตัวได้คือจิตเป็นจิตอาการเหล่านั้นแต่ละอาการอันเป็นของตัวเป็นอาการของตัวโดยลําพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับจิตเลยก็มาเห็นโทษของจิตที่ไปยึดไปถือเขาโอ้นี่มันหลงจริงๆความจริงมันเป็นอย่างนี้นั่นนี่เป็นเป็นวาระหนึ่งเมื่อ ยังไม่ขาดจากกันคือยังไม่พอตัวมันรู้เป็นระยะๆอย่างนี้ไปก่อนคราวหลังก็รู้อย่างนี้แล้วมันซึมซาบเข้ามาเช่นเดียวกับจอกแง้ที่มันหุ้มเข้ามาอันนั้นปิดน้ํานั่นเองเราเบิกเราแวกจอกแหวกแง้ออกหยั่งลงไปมือหยั่ ง, งไปถึงน้ําเห็นน้ําแล้วพอยกมือขึ้นมาจอกแง้ก็หุ้มเข้ามาปัญญาเมื่อวมาเบิกสิ่งหนึ่งแถว น, นี้หรือคลีค่คลายสิ่งนี้มันก็เห็นชัดอย่างนั้น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 ก็เป็นเครื่องสอให้เห็นว่าอาการอะไรที่จะปรากฏก็เพราะความรู้อันนี้ไปให้ความหมายสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้ น, น, น, นถ้าจะเป็นไปในทาง ท, างที่ผูกมัตนเองคือเป็นในทางสมุทยัยมันก็ต้องอาศัยความหมายนี้ไปไปเป็นธาตุธาตุถือปลายสัมคันญมั่นหมายถ้าเป็นไปในทางปัญญาก็อาศัยปัญญากระแสของจิตนี่เองไปพิจารณาแต่ตองเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วถอนตัวเข้ามานี่ นี้พิจารณาเวทนาสัญญามันแยกออกมามันก็รู้ถ้าพิจารณาเวทนาอย่างละเอียดลอเข้าไปแล้วเพียงสัญญามันแยกออกไปกระหรูสังขารปรุงนั่นก็ก็เหมือนหิ้งห้ อ, อยนั่นเองยักๆถ้าสัญญาไม่ไปหมายสังขารก็เพียงปรุงแยกๆแล้วดับไปดับไปไม่ว่าจะปรุงเรื่องใด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 ให้พอปรุงถึงสองสามครั้งแล้วทีเข้าด้วยด้วยเท่าเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมาเช่นเดียวกับเด็กตื่นนอนทีแรกเด็กก็มีความกระดุกกระดิกหน่อยหลายครั้งแล้หงส์เขไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอันนี้จิต ก, ก็เหมือนกันมีความสงบนี่พูดถึงเรื่องขั้นสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันการพิจารณาอาการต่างๆดังที่กล่ามานี้ท่านเรียกปัญญา เ่พิจารณาพอตัวแล้วจิตจะกล้าเข้าสู่ความสงบโดยลำทางตนเองแล้วปรางจากความลุงความแต่งความปอบควนอะไรทั้งหมด<า>ปรากฏอยู่แต่ความรู้เพียงเท่านี้ก็มีรสมีชาตเต็มภูมิแห่งสมาธิที่ควรจะชนะรสทั้งหลายได้อยู่ได้อยู่แล้วอันนี้ความยินดีในความสงบนี้ก็ไม่เคยอิ่มตัว มีความดูดดื่มในความสงบเย็นใจอยู่เสมอไปที่ไหนก็กจิตเป็นรากเป็นฐานจจตัวเองอยู่แล้วสบายไปเลยเย็นเราจรึงได้ใช้ปัญญาพิจนาเรื่องถาบเรื่องขันสำคัญคือความปรุงของจิตที่ปรุงขึ้นมาแล้วสังขารเวทนาความยสัญญาคือความหมาย ทัญญาจะหมายทันทีเหมือนกับว่าสังขารนี่ปรุงขึ้นมายื่นให้ปัญญาปัญญาเป็นผู้รับท่วงแล้วไปตีความหมายออกในแง่ต่างๆนั่นแหละที่เราหลงเราหลงความหมายขอตัวเองเราหลงเงาของตัวเองที่ออกวาท่ า, าออไปเป็นเรื่องต่างๆเพลินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนไม่เคยภาวนาก็ตาม เ, เพลินเพราะอะไรโศกเพราะอะไรโศกก็ดีเพลินก็ดีเพราะอเงาของจิตที่แสดงตัวออกไป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 ส่วนจิตมันคิดเรื่องอะไรนั่นแหละคือเทินไปตามนั่นหรือโซกไปตามอารมณ์ของตัวที่ปรุงแต่งขึ้นมาหลงอารมณ์ตัวเองนั่นเองเมื่อได้เราได้ใช้ปัญญาทางด้านสมาธิด้านปัญญานี้แล้วเราถึงจะทราบชัดว่าอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่ออกไปจากริตแล้วหลอกจิตผู้ไม่มีสติปัญญาทันกับเหตุการณ์หรือทันกับสภาพเหล่านั้นให้มีความรุ่งหลวง์ประเดิมกลับให้เกิดความดีใจเสี ย, ยใจเกิดความรักความชังเกิดความโกรธความงุ่นหิด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 วิธีใช้ไขควงมันมีอย่างนั้น น, นี่จะเรียกว่าเป็นขั้นของสติปัญญาอันสำคัญ น, นั่นเองที่แรกอาศัยเรื่องธาตุเรื่องขันซากฟอกจิตใจด้วยธาตุด้วยขันซากฟอกจิตใจด้วยรูปเสียงกิริยองตัณฑ์โดยทางปัญญาแล้วก็ซากฟอกจิตใจโดยเฉพาะด้วยสติปัญญาอันสำคัญ น, นั่นเอนี่ตามต้นนหลุดนี่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 ว่านักโทษตัวนี้มันจะแสดงตัวอะไรออกมาแล้วยังต้องมีปัญญาสอดแทรกเขไปว่าอะไรเป็นเครื่องเสี่อมสอนมีอะไรมีฉากหลังฉากหน้าของนักโทษนี่จึงต้องทํำทุกินตลอดเวลาคิดปรุงแต่งเรื่องราวหลอก ล, งลวงเราอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นค่อยะหตหลักนี่มันก็ขุดค้นเข้าไปที่ตรงนั้น น, นี่ปัญญาไม่เพียงแต่เราจะมา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 เม mm hmm. ื่อเราเห็นจิตเป็นนักโทษแล้วเราก็สนุกพิจารณาปล่อยวางหมดภาละน้อยลงไปน้อยลงไปนี้แต่เรื uno uno so ่องจิตกับเรื่องความปรุงความสำคัญที่เกิดขึ้นจากจิตโดยแต่เดียวเท่านั้นมันก็แคบสติปัญญาหมุนติ้วตอยู่นั้นสุดท้ายมันก็รู้ว่ามีอะไรเป็นสาเหตุที่ให้มันปรุงขึ้นมาให้เกิดความรักความชางความโกรธความเกลียดมันมีอะไรมันก็รู้อันนั้น พารู้อันนั้นแล้วก็จะลายหมดเรียกว่าทําลายได้แล้วโดวยสติปัญญาจิตก็หมดโทษดึงเราจะตําหนิโทษจิตตำหนิไม่ได้เพราะที่เราตำหนิโทษเพราะโทษมันอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตเหมือนกับว่าอโจรผู้ร้ายหรือค่าเสือกตามมันเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ใดเราต้องทําลายหมดทั้งอุโมงค์ทีเดียวเราจะไว้เสียดายอุโมงค์มาได้นี่มันเข้าไปแทรกในจิตทำํำลายลงไปหมดะถ้าจิต ไม่เป็นของจริงมันก็จะสลายไปด้วยกันถ้ามันเป็นของจริงตามแบบธรรมชาติตมแล้วจิตนั้นจะกลายไปจะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นของกระเสริฐขึ้นได้เพราะสิ่งที่จำปลอมอทั้งหลายนั้นได้หลุดรอยไปแล้วด้วยปัญญานะเมื่อสิ่งที่จำปลอ ม, อ, มอันเป็นเครื่องหนูอยู่ภายในจิตได้สลายตัวลงไปด้วยอํานาจของสติปัญญาแล้ว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 ย่อมมีความอิ่พอกับสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงไม่เกี่ยวข้องอะไทั้งสิ้นเป็นเอกกิจเอกธรรมมีอันเดียวเท่านั้นทมแท้มีอันเดียวจิต เ, เป็นธรรมธรรมเป็นจิตพูดได้เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นพูดไม่ได้ขอให้ทุกท่านนำปฏิญพิจารณานี่แหละหลักความจริงของาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน